เมื่อเรากำหนดจุดที่จะน่ะอาจทำสื่อพระพุทธเจ้าทรแนะนำสั่งสอนวิเลตจึงมีหน้าที่เข้ามาหยกข้อื่อทํากับจิตใจของเราได้โดยเต็มใหญ่ยังไม่มีอาจไม่ทำาละเอียดยังไม่รู้ที่อยู่ที่อาศัยจิตใจยังไม่เข้าห็นเป็นในอาจในําเรื่องสมาธิสมาบัติจิตระต้องติดข้อ เทปโทนในรูปเสียงหลุ่มลดต่างๆฉะนั้นท่านจึงวางอาวุธคือกรรมฐ า, านให้ในที่เจ้านะาเจ้าสาเลมาณขาทันตาตาโจซึ่งสิ่งเหล่านี้เราไปสถานที่ใดติดตัวไปตลอดเวลาแตเกิดมาเพื่อจะทั่งวันตายกรรมฐ า, านคือทำจะต้องมีประจานตัวมาตลอดจะที่เจ้านะ เวลาใดตามใดสมัยใดได้ทั้งนั้นเป็นตำราที่นักาวนานบยจะต้องศึกษาเรยาผมผมนั้นโดยวใากใครคิดที่จะมาหิผมตามหลสมงโลกเราก็มากอาจะหลงจะถือว่าผมเป็นของสวยงามคที่มีผมลกผมที่คที่การใดกหนา หรือเป็นอะไรเกิดขึ้นอย่างอย่างหนถือว่าคนนั้นไม่งามมกคนนือกั่านั้นผมจึงเป็นเรื่องสคัญจะทให้เกิดขึ้นดเขาใจต้องหา n เรื่องที่มาบำรุงผมให้มันนงาอย่างนั้นอย่างนี้ตลอดถึงดัดแงตต่างๆงินเสียองไปนับไม่ได้คนชอบเงน จะต้องไ ป, ปจัต่งผล ม, มันเป็นการนิยมสมมติของโลกอย่างนั้นที่พระพุทธเจ้ า, า, า, จาจชาอาจารย์สอนในพิจมมาราผลผลนั้นมันเกิดขึ้นจากของสกปรกเนื้นหญ้าเกิดขึ้นในหลุมเสื่อม็นไหเข่ยในถุยเี่ยมันสกปรกหญ้าที่เกิดในที่ในสกปรกไม่มีเสือมถุอะไร มันจะหนกหนอกนะเดี๋ยวมันก็แน่ก็ตายไปเรื่องหนอกขึ้นนิดหน่อยมันก็ตายมาคทีหนอกขึ้นไม่ได้ต้องมีอาหารผลของเสือกเราท่านก็เกิอขึ้นจากน้ำเลือดน้ำเหลืองคือหล่อเลี้ยงให้ยืดยาวหนอออกไปบ้างและผมนั้นถ้าหาตตกลนออกจากซีสักก็ถูกใส่ในอาหารตารกัดัน นานเดนเราก็ไม่ชอบจะต้องเทขึ้ ง, ถ, ถ, งถึงอาหารนั้นจะไม่เน่าไม่เสีย อ, อะไรอาหารมีผมหนักหนาอยู่ในถ้่ยในจานอาหารในหม้ออาหารรังเกียดในเท้าแต่อยู่บนพื้ะทำไมไปหลงไปเทิร์นหรือแไปิ้งเอาไว้ในที่ น, าานัาาาา่งทีงงง่นอนของเราผม ที่มันอยู่บนพืชตะแต่ก็ถอนเอ า, ạt, เอาแล้วก er và ็ตัดเอาไปเก็บไว้เราก็คือว่าไม่ดีไม่งามแต่ทาไมเราโกลงมันว่ามันเสือมันงาเมื่อข้าวตบข้าวแตงอยู่บนพืช่ะใหที่จะเรามาถึงที่เกิดของมันถึงที่อยู่ของมันถึงมันหลุดมันเลิมออกมาว่ามันเป็นอย่างไรหลักผลนั้นมันมีความหมายอะไรถ้าเรามาโเหลงมันจะเกิดเราจะด่าเราไหม ถาเราตัเหลืงมันได้สึกโดทุกอย่างเลยคำนึงคำนึงคิิจัมนหาทางเี่ยสอนจตใจสงบโยกบันดาขนกนเหอนกันไม่ใช่คเสือข้องงามอะไรไม่เกิดนะอยู่ในเมื่อในเตลของเรางอกขึ้นจากท้องสัตว์กับดอกโตโค่ดาเรียกเหมือนเหลืองทั้งนั้นไม่ใช่มันเป็นของเสือข้องงามยิ่มขน เราเล่มผ้าถ้าหากว่าเราเห็นเขาถอนออกมาซึ่งใสเพื่อใการอาหารจะเป็นอย่างเราจะเกิดข้าวฟันตีกันในเวลาเหนือยหงยมีอตรมาทำแบบนั้นแต่ก็ถือว่ามันเปรตปรตเปมันเหนิงเตรมจะเหยียบใบึินโตหลงมันหลวงทำไมความรู้ของเราเป็นทํามรู้ที่หลวงมาจากความรู้ที่แน่นอนแค่จรน ฉะนั้นคือพิจ ะ, ะมาหาทางแก้ไขจิตใจทั้งตนที่จุดข้อในขนในนเล็บขน น, นิวกลนท้าแกะออกเอาไปต่นไปจงไปพอดไปผัดจะทานได้ไหมจะทำไงถือว่ามันสวยมันงามอย่างนั้นอย่างนี้เขาตอกเขาตงแะก็ตัดยึงพอดูไดถ้าหากกาเอ า, า, าแล้วมันะ 6, มจะกระจกแสนชื่จะตกกระจกเล็บก็ดี ปันแต่เหมืกันหัดกันอยู่เรื่อยชำระกันอยู่เรื่อยแรงอยู่เรื่อยในอย่างนั้นมันน่มันหนนถึงขนาดนั้นตะเริ่มออก้าจากปากเนอย่างไรันเสียไหมงามไหมตกออกจากปากเขาันคนนั้นเสียวเอะจนงามเยอะจนเขาถอนออกให้อมได้ไหมหากว่ามันเสียมันงามอมเลยบ้าก็ต้องกบจบ นั่นเป็นของปฏิปุณหนังกลมหงือกันไม่มว่านังแข้งนังขานังหน้านันตนางตาทะลุออกมานั่นเป็นอย่างไรมันสวยไหมงามไหมแต่ทำไมไปหลงถ้าหาที่เจรนาได้เข้าใจตามเป็นจริงจิตจะไม่มีจิเป็นติด้องนี่คืออาวุธที่จะฝ่าฟันาตามขําดยินดีท้องใจ ติดไปใส่ติดตกดข้องนอกจากนั้ น, นเมื่อทบทวนพิจารณามาเรื่องของเขาผมขนและันของเขาที่เราไปหลงผมขนและสันของเรามันมีอยู่ที่จะดูให้เห็นให้ใส่ใจชัดเจนนั่นเป็นอย่างไรเมื่ออยู่ใเตียงของเตียงเตียงทำไมไม่ถ น, นัดยินดีไม่เพิดเพ ล, ล, ลินหลงเราจะถนาดยินดีทำไมเพราเรามีอยู่ จะไปพื่อรื่นหลงกต้องอื่นทไมเติมะทุระเตว่าตัวทงเตวอย่างไรเลื่องหล้ผมมันยาวมาต้องต้อตัดมันเหมือนตาเหมขนตองตัถ้าผมยาวถ้าเป็นพระก็ต้องเเล็บก็เหมือนกันจะต้องตัดเลื่อยเมื่อย่างนั้นก็งอกเลือดยาวฟันตกสำสาสายเรือด เมื่ออย่างนั้นที่ออกม า, า, ากลิ่นก้องปากต่จะเน่าจะเหม็นมันเป็นขวามปฏิปุรียนพัเดเยือนอย่างนั้นเราเมื่อเรามีอยู่จะไปหลงดูคนอื่นทาไมกะไปตาหนยินู่แต่ของเขาทาไมของเราเป็นอย่างไรของเขาก็เป็นอย่างนั้น้ากจิใตใจเป็นธรนนมรมไม่มีอะไรติดบางโลกเสดสมเสมอไม่มีอะไรที่จะผิีแปลกแตกต่างกัน เพราเกิดขึ้นแปรเปลี่ยนแปกสลายเพื่อทิ้งธาตุทังสีง่เป็นอย่างนั้นฐานทั้งห้าเป็นเหมือนกันเราจะกระเจิอย่างไรคนอื่นตัดอื่นมันก็เป็นอย่างนั้นเราทุกเด็กการรักษาปฏิบัติตายอย่างไรตายคนอื่นก็ทํานองเดียวกันไม่มีอะไรที่จะผิดต่อต ต, ต, ต่างกันจิตใจชาเห็นเด่นชัดอย่างนี้ มันก็มีอะไรในโลกที่จะมาติดบังให้จิตใจลมหลวงนี่คือน้าที่ขอนักบวชทุกคนจะพึงจะเพืปฏิบัติเป็นขังตนที่ิพพย์เจรนาหนดรักษาทหาพเจนาไปตามโลกตามเนึกมันก็ติดข้องเพิดเลินลืหลวงใคเป็นนอย่างไรมันก็ไปอย่างนั้นเพราะจิตใจทงเราเคติดข้องเยยินดีอย่างเหล่านี้มะ เพียงพอแล้วไม่ใช่ว่าแต่ชากาจิบันมันเคยเกิดเคยตายมาเรื่องเกีเ่ยวกัปัญหาเคยเป็นเจา้าเป็นนายบังคับบัญชาหยุดใจของเรามาเลยเลือกยิ่งในต้งศึกาในต้งมือถือแนสอนมันทอไปเองมันปิดไปเองมันเต็ไปเองเรื่องเชื่อสิ่มันเคยทามามันมือติดยึดสาย เน อ, อุปนิสัยปิดใจทังเรามาถ้าเราไม่แก้ไขในที่แกานะนักห้ามมันก็จะเริ่ ม, ม, มหมมงมมลงเลี่ยวไปนี่คือเรื่องัองใจในว่าผู้หญิงในว่าผู้ชายมาบวชเป็นพราเป็นมีหนาที่มีโอกาสการงานนานอื่นที่เราจะทำไม่มีชีวิตคนดีเรื่องด็กคนอื่นฉะนั้นการฝึกปฏิบัติจิตใจีึง เวลามีโอกาสที่จะทําได้อย่างะระดวกอย่างสบายหากทุกคนไม่ตระหม่อทุกคนถือโอกาสทำกิจงานความดีเลี้ยงจิตใจที่จะไม่เคลื่อนที่ที่จะไม่ดูไม่สงบไม่มีจะต้องดูต้องสงบต้องเห็นต้งเป็นในอดในธรรมเมื่อเราเห็นเราเนเราได้เราถึงอย่างท้องทำแล้วเราก็สะดวกเราก็สบาย จะเป็นจะตายไม่ต้องคํานึงคํานึงหาเพาเหตุใดเพราะสิ่งที่เราได้เราเปนเราเห็นเรารู้มันไม่ตายต่อตามสมุตดของโลกมันเป็นอย่างไรมันไม่ตายเราก็ได้มีปัญหาไม่มีข้อสงสังยภายในใจของเราพียงที่มันเกิด ม, มันแปเปลี่ยนเราก็ทราบสิ่งที่มันไม่แปลเปลี่ยนไปกับอะไรเลยเราก็ทราบแต่ถ้าว่าเมื่อมันยังมีเชื่อ ที่จะให้เกิดมันทําให้เกิดอยู่ได้เหนือสำลักเชื่ อ, อมันหมดออกไปในนี้อะไรที่จะเปนเชื่อพอให้เกิดอีกมันตายไหมนิพพานางปรมาังสุขงังมันซึน่งอยู่ที่ไหนนิพพานางปลมาังสูญอยงอะไรมันสูญไปมันเข้าใจจึงไม่มีปัญหาอะไรที่จะจุดข่องในจิตในใจั้งผู้บภชปฏิบัติหรือการภาวนาการศึกษาการเป็นพระเป็นเน าหากเราฝึกเป็นพระเป็นนักเบื่อตั้งหน้าตั้งตาศึกษาตั้งหน้าตั้งตาภาวนาตั้งหน้าตั้งตาชำาะกิเลปัญหายืดเห็นเด่นชัดในอัตในธรรมสื่อพระพุทธเจ้าสอนเราเองจเหย่อนเย็นเป็มสึกคนอื่นเขาเห็งุดห่ยมใสเต็มใจอยากจะบูชาศึกประเพื่อปฏิบัติคือได้คูอถึงอัธรรมถ้าเป็นเนื้อนาบนท้องเขา เขาเรียสายเขาเต็ใจเขายินดีถึงจะอดย า, ยากยากจนเท่าไรเขาก็สนับสนุนเพราะเห็นว่าทำไปแล้วจะได้สารประโยชน์จากการกระทำของเขาเราต้องแน้สอนตัวของเราเป็นนักบื่เป็นที่สุเป็นสามาเณรอยู่ในศาสนาอาศัยผ้าเหลืองอาศัยเิศเท่านั้น คือพอเราสดได้ฉันได้อยู่ได้กินเป็นวันวันไปแต่จิตใจของเราเป็นพระประเกษตรหรื อ, อยังเป็นสมณนนะสามเณรหรื อ, อยังสงบระงับหรื อ, อยังเปิดตาพิ้เจรนาทุกทุกเวลาเวลาจิดคิดไปเป็นเรื่องแก้ไขขี้เหลือปัญหาหรือเป็นเรื่องนํามาสิ้นทุกข์ทุกต่างๆให้มีสติมีปัญญา ที่นี้ทีรณาตัวของตัวสนน่ำเสมอไปจิตใจที่ในขาดจิตในขาดปัญญาได้ชื่อว่าคือชัละจิตใจของตนที่มีความเพียนเป็นสังเวยะธรรมคือสามารถที่จะกำจัดป่าเต่าที่อปัญหาในถอดถอนหลุดเล่ยงไปจากใจทั้งตั ว, ห ร, รวหรือนปรนปะทะธรรมแผบเปิที่เหลกที่มีอยู่ในใจให้เบือดร้อน ให้เหียดแห้งให้หมดหหไปถ้าคิดได้ที่จะนาได้ถืกสอนตัวั้งตัวด้วยอัตธรรมี่พระพุทธเจาาแนะนำสั่งสอนมาทุกคนจะก้าวห น, าน้าในการประพุทธปฏิบัติจะไม่เห็นอะไรดีเสดประโสริฐเทาเรื่องท้องใจที่มีอัตมือทำในตื้นต้นไม่หงื่อเหง่อในลงไหลในเรื่องทังโลก เทุกคนปราถนาสึกพอไม่เจอสกไม่เห็นสกในตตวะคงวจึงไปหาเรื่องน้หาไปเท่าไรันก็ไม่เห็นเพราะเหดจึงไม่เห็นเพาหาอยู่ถ้าเห็นแล้วไม่หานั่นมีอยู่อย่างไรเข้าใจอย่างนั้นจะไปหามันทำไมมันเห็นอยู่ของเียหายาไปหาพอคืาไมเห้าเห็นแล้วเขาก็ไม่หา จิตใจของนักภาวนาเห ม, มืนกันแต่ไข่คิดติดตามคำคำสอนของพระพุทธเจ้าศึกษาในกายในวาจาในใจเชงตนศีลเป็นเรื่องสําคัญเป็นเรื่องสนเป็นจึกษาที่ควรศึกษาศี น, นั้นถ้าหากดางค่อหยหรือเสียหายตกขาดไปในใจเรื่องใหญ่โตสังฆาบาลิตต่อตามจะสามารถที่จะ ทำจิตทาใจให้ถัดคล้องปฏิบัติไม่ระดวกเราต้องรักษาต้องพิมพิจนาณะในมือถีมเน้นในมือถีมเป็นของหยาถึงเลยถือกันตลอดถือเพื่อนจะมาณะเดือดกันก็ถือนะะในมือถีมมือทำอยู่เดือดกันก็ทำมือกันเนี่ยเป็นฝึก ก็สีเหือเสมอกันฉะนั้นจึงควรศึกษาเรื่องของสีตัอดีเรื่องสมาธิตอบังคับบัญชาจิตใจทังตนอย่าให้ผิดข้องเสาหมองเสดเพลนเป็นแต่ไปในทางผิดพยายามบังคับจิตให้สงบระงับดือดสติดืปัญญาเดือยศรัทธาความเชี่อหาทุกคนสนใจทุกคนมุ่งมั่น ในการปฏิบัติทั้งตนเพื่อมักควบผลจริงจังจิตทระหน้าที่อันอืน่นมันปล่อยวางได้เพราะจิตกาลังกเหลือปัญหาเป็นจิตใหญ่จิตโตจิตเฉาตัวคนอืน่นจะเป็นหมื่เป็นแสนมาเขื่เหลือไหนได้นอกจากตัวของเราจะเขื่เหลือตัวของเราตัวของเราจะทําเอาถานั้นจึเป็นงานสําคัญหากหมดที่เหลือปัญหาหมดภาวะของใจจิตจะไปคล้องจิตจิตถึงต่งตงตาง แต่ทขงตัวทราบเองเข้าใจเองจะจบทำไ ม, ม่จังแม่มีทางไม่ีจิตอื่นที่จะยิ่งได้กว่าเป็นจิตที่การทำอย่างยิงจังอย่าไปถึงเรื่องอื่นเป็นของสําคัญยิ่งกว่าการละที่งเลยการทำความเพียรเพื่อตัวเองถ้าทุกคนหนึ่งมันอย่างนั้ น, นการปฏิบัติศาสนา ก็จะเริงขึ้นยิ่งเสพขึ้นทู่คนประชาชนทั่วไปเขาก็เลื่อมใสเป็นใจยินดีเหตุใดเพราะตัวเองก็เห็นแตรู้ความเลื่อมใสความผ่องใสความสงบความหยาดเย็นของใจคนอื่นเขาเห็นต้องการความสุขต้องการความดีแล้วก็ต้องแสวงหาหาพระเนรหากันแต่ทำบําเพ็ญอย่างนั้นศาสนาก็นับวัน คืจะมีสื่อเชื่อถือสื่อเหลื่อมใสสือเต็มใจปฏิบัติหากสื่ออยู่ในศาสนาในตั้งหน้าต่างตาภาวน า, ใ น, น า, าในตั้งหน้าต่างตาศึกษาในตำำั้งหน้าต่างตาจะทําบําเพ็ญจิตของตนตนอืน่นแลเขาจะดูหนึ่นมิคทาว่าสู่ออยู่ในศาสนาก็หลังเขากิ้นในนี้อะไรสืจะหน้าเชื่อหน้าเหลื่อมใสยินงยาเมลายา ก็ไม่น่าดูสุดจาราทีอะไรออกมาก็ไม่น่าฟังในมือเคราะหดทิศในเดินเดืดจิตใจของเขาแต่นั่นส่วนเราส่วเป็นศ า, า, าสนาทายาทสือศาสนาเราจะต้องแนะนำตังตัวจำมันเสมอไปสิ่งใดที่จะเต็นไปเถื่อความสุขความสบายเต็นไปเถื่อการละถอนที่เลว อย่าไปนอนใจเพราะชีวิตไม่มีเคร่องหมายนายประกันอะไรจะเป็นเด็กเป็น ห, หนุ่มมันก็ตายจะเท่าผู้แก่มันก็ตายแล้วก็ไม่บอกว่าวันนั้นเดือนนั้นปีนั้นท่า น, นจะตายมันไม่บอกชีวิตเป็นอยู่ยังเริ่มหายใจเข้า อ, ออกเท่านั้นเข้าไม่ออกออกไม่เข้าจะเรียกว่าตายจะเป็นผู้หญิงผู้ชายเป็นพระเป็นเมียนหนุ่มแก่ไม่ว่า รีดภาวนารีดกระทาความเพียรในตัวเห็นตัวรู้ภายในตัวของตัวจะไม่เสียใจการบำเพ็ญเพียรความดีเป็นเรื่องสำคัญสำหรับตัวต้วเราท่านเพราะภาที่อะไรไม่มีใครที่จะยุ่งเหยิงว่าวันนั้นไม่มีโอกาสวันนี้ไม่มีเวลาภาวนาในเช่นใดใจจิตใจเนี่ย รักษาในสังวรปล่อยไปตามสัญญาอารมณ์ตลอดเวลาไม่ภาวนาตัวกพงจะทาท่าก็ลเล็กได้แคบเดียวแล้วก็หายไปตลอดเวลาอย่างนั้นมันจะดีจะรู้เสียดได้อย่างไรพยายามสอนใจท่องเนือนพยามฝึกสนโอนอบรมอยากดีอยากนีทําสงบตั้งทํา แต่จะมันจะเกิดมาเองเกิดสิ่งเองพระกุทธเจ้าก็ทำเลอดตายเหลือตายจนเดยมาแม่เสอโลกเรเคะทำมง่ายอดถึงตามทำทุกขจุิยาหาทากัสสรูอดอาหารก็จพอะโลมาเสือขนืูดใตาำเหนือดำตายลุดออกเพราะกราบลงขนพะโมาเล่าเรามาถึงนั้น อดนอนผ่อนอาหารทุกสิ่งทุกอย่างทําทำกินกินจริงจริงเพราะหาทางตัดสรู้ก็ตัดสรู้มาประมาณนี้นําำ่อนสอนยกมาขึ้นมาปฏิบัจจาระก็ขึ้นมากขึ้นมาของเรามันเข้ากับกิเลสทำขนาดนี้พอดีแล้วทํามากกว่านี้มันบนอัตตาคือธรรมนโยในเส้นทางสายตาเนื่อเคื่อกิเลสปัญหาความอากของใจเราตัดสินเอง ไม่ใช่มันเป็นมัชชิมาหากมันดีที่ติดจิตจงจางในจิตข้องเศร้าหอมองในรักในทางต่างๆจิตจงจางเส ม, มอไปเป็นอะไรจะสักจะว่าเห็นรู้อะไรก็ตักะว่ารู้ไม่มีการยึดถือจิตข้องเศ้าหมองอะไรภายในใจขงังตนมันเป็นมัชชิมาในตัวมื่อมันไม่เป็นขั้นนั้นไม่เป็นอย่างนั้นเราต้องตัดสิน ใจข อ, องตัวเองว่าทำมากไปนิดๆหน่อยๆในเตืนแล้วในเดินอัตตาเกี่ัวมาถาไปแล้วหีือความใส่ใจมันเป็นอย่างนั้นมันเหมือะไเป็นอะไรกันทำลงไปจนให้มันหุนหุ่นไปจากแทเตือนในตนมันจะเดินเรื่องอัตตานันจะให้ใหมันทาบดูการทำจิตทำใจ บังคับตัวของตัวเป็นเรื่องสำคัญที่ทุกท่กานจะควรบังคับตอนมฝึกชวามอดลมในใจให้ชีวิตเป็นเหมนวันนี้ต้องเป็นอะไรเดือนนี้ต้เป็นอะไรพีุ่งน้าคงเป็นอะไรให้โด้ไม่ได้อะไรชา้าชาเลยวันมื่อก่อนชา้าเมือก่อนนี้เลี้ยไปเพราะวันนี้ก็อ้างวันหน้าเื่นก่อนขาดนี้ก็จะต้องอ้างชาดหน้าต่อไป จิตใจมันเป็นแบบนะยิ่งในทันกับเรื่องของคิเลสปัญหาพยายามรักษาแ น, สนวสอนตัวกาสอนของพระพุทธเจ้าสำหรับผู้่อที่นำมาใขา้คิดยินดีที่นะ น, นำมาศึกษานำมาปฏิบัติเป็นอกาการลึกๆเพื่อไม่มีการมีเวลาเถึงศาสนาจะเลี่ยงไปสองพันห้าร้อยกว่าปตาม ความดียังเป็นความดีความเชื่ อ, อยังเป็นความเชั่อทุ ก, ยทกทยอย่างเป็นทุกสมมุติไทยยังเป็นสมมุติไทยมีโรคความดับทุกข์ภายในใจแต่ยังเป็นมีโรคมรกรรปแต่เพื่อปฏิบัติให้มน้าอย่างไรแต่ต้องเป็นมร์อยู่เป็นวิถทางที่จะแต่เขามรถ์ถึงผลคือยืดได้สอนใจต้องเนอย่างนั้นมันจะทำมันต้องเรียน ราวังรักษาทุ่อ네ิยาบดทุกคนสนใจจะทำบำเพ็ญตามโอวาทของพระพุทธเจ้าพวกเรานักบว่ทุกคนก็จะตั้งใจอบเห็ตามสึกตามหย่อเย็นข้องใจการที่บายญธรรมะเป็นแบกเราสมควรเสียเวลาไว้ยุติเพียงตร่นี้